ถ้าเฝ้ารู้กายรู้ใจต่อไปจนปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาเรียกว่าพระอราหันต์แต่พระอราหันต์ไม่ใช่คนที่สามารถฝึกจิตให้ดีถาวรให้สุขถาวรให้สงบถาวรได้เพราะท่านไม่ได้มุ่งเอาสิ่งเหล่านั้นความสุขความสงบความดีอะไรทั้งหลายเป็นเรื่องของโลกแต่พระอราหันต์คือท่านที่รู้ความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจ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 กรทั้งศีลยังต้องอาศัยสติเลยนะสตินี่สําคัญจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเลยในกูศลทั้งหลายจะต้องประกอบด้วยศีสติเสมอในศีลก็ต้องมีสติในสมาธิก็ต้องมีสติในปัญญาก็ต้องมีสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่เช่นตาเรามองเห็นอย่างคุณโนธนะมีภรรยาแล้วเกิดเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะมีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นมาราคะนั้นจะคร่อบงําจิตไม่ได้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 สุขเขาดา่าใจมันเดือดขึ้นมาเราเห็นใจที่เดือดใจเราก็ไม่ยินร้ายกับคนนั้นใจจะเป็นกลางนั่งคนเดียวก็นั่งคิดไปคิดเรื่องดีบ้างคิดเรื่องร้ายร้ายบ้างคิดบางเรื่องเกิดกุศลคิดบางเรื่องเกิดอกุศลมีสติรู้ทันอีกนะอะไรอะไรก็ครอบงาจิตไม่ได้จิตใจก็เป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเรามีศีลต่อไปเราก็เรียนบทเรียนที่สองนะชื่อว่าจิตศิกขา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 จิตที่เป็นกุศลจริงๆจะต้องมีละหูตามีความเบานะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาต้องรู้นะทำผิดแน่นอนอาภูศนเกิดขึ้นแทนกุศลละเวลาลงมือปฏิบั ต, บติบางคนหนักอึดเลยนะหนักเหมือนแบบแบบภูเขาขึ้นครกไม่ใช่แบบคลกขึ้นภูเขาแล้วนะมันหนักขึ้นมาถ้ามันหนักขึ้นมาแสดงว่าทาผิดแน่นอนจิตที่เป็นกุศลเบานะ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 คือทื่ อ, อ, อ, อทั้งมันอย่างนี้นะอัปุศลนนะต้องระมัดระวังนะงั้นเวลาที่ปฏิบัติรู้สึกไหมพอจงใจทำเมื่อไหร่นะจะหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆมทื่อๆขึ้นมาเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดอยากปฏิบัตินี่อัุสลนนะโลภะเกิดพออยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามความอยากในขณะนั้นความอยากยังครอบงาจิตอยู่ กิเลสในอภิธรรมท่านสอนกิเลสเป็นสหาชาตปั จ, จัจของกรรมกิเลสเกิดร่วมกับกรรมนั่นเองกิเลสทำให้เกิดการกระทากรรมนะแต่เกิดด้วยกันงั้นอย่างเราอยากปฏิบัติปุ๊บลงมือปฏิบัติปับ๊บเนี่ยในขณะนั้นความอยากปฏิบัติยังครอบงำจิตอยู่จิตดวงนั้นเป็นอากุศลจิตหนักหนั ก, นกแน่แนแ่นแข็งแข็ ง, ขงซึมๆมทื่อๆขึ้นมาเลยนะ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 เราสูญเสียจิตของมนุษย์กลายเป็นจิตของลมขึ้นมาแทนจิตของลมเนี่ยจะนุ่มนวล น, นะเบิกบานนุ่มนวลมีความสุขแต่มันเยิม้มเยิมอยู่นิดหนึ่งมันจะเยิ้มเยิมย ม, มีความสุขนะเนี่ะหลวงพ่อทําให้ดูนะถ้าใครดูเป็นนะจะนุ่มนวล น, นะมีความสุขปราคะแทบอยู่ไม่เห็นดูออกใช่ไหมชาวเชียงใหม่พวกนี้ได้ทิพยจักรสุขดูออก นักปฏิบัติจํานวนมากเลยพวกหนึ่งทําไปแล้วเกิดอกุศลเครียดจัดแข็งแข็งหนักหนักแน่นๆพวกหนึ่งทําไปแล้วเคลือบเคลิ้มีความสุขเพลิดเพลินตัวนี้ไม่ใช่อกุศลละเป็นกุศลจะเป็นโลกียกุศลตัวนี้แหละขวางการเดินมรรคนิพพานในขั้นละเอียดต่อไปเพราะฉนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางคนฝึกมากๆนะจิตใจจะนุ่มในนุ่มผิดความเป็นจริงเห็นไหมนุ่มทั้งวันทั้งคืนสามวันสามคืนก็นุ่มอยู่อย่างนั้นแหละ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 บังคับไว้อันนึงนะบังคับไว้จนบังคับแบบหยับหยาบแข็งแข็งหรือบังคับจนมันนวลนนุ่มไปหมดนี่ก็แบบหนึ่งตัวนี้กวางการเจริญวิปัสสน า, าอีกตัวหนึ่งก็คือจิตหลงตามกิเลสเตลเิดเปิดเปิงไปสองตัวเนี้กวางการปฏิบัติอันหนึ่งเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคบังคับตัวเองอันหนึ่งเรียกกามสุขาริการโยคตามใจกิเลสไปแล้วตอบสนองกิเลสไปแต่ถ้าเมื่อไหร่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 หัดรู้เวทนาจนรู้สภาวะของเวทนาหัดรู้จิตจนรู้สภาวะของจิตเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะสติจะเกิดเองเนะช่นเราหัดถ้ามาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยส่วนมากหลวงพ่อชอบให้หัดดูนมามธรรมเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนเมืองนะอาชีพหลักของพวกเราคือคิดคิดลูกเดียวส่วนใหญ่ทํางานที่ต้องคิดคิดคิดคิดทั้งวันนะพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตพวกโลภมาก รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเห ม, มาะกับการดูกายนะนี่พวกเรารู้สึกไหมอยู่ๆเราก็อยากจะเข้าสํานักไหนเราก็เข้าเราไม่ได้รู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงเพื่อนเราเข้าสํานักไหนเราก็ตามไปเข้าด้วยสํานักไหนคนเยอะเราก็ตามไปด้วยน่าจะดีหรอาจจะดีนะครูบาอาจารย์อาจจะเก่งแต่จริตถ้าไม่ตรงกับเราแล้วเราไปเรียนแบบเขามาเนี่ยไม่ได้ผลออกดังนะนั้นทำกรรมฐานต้องดูตัวเองก่อนวิเคราะห์ตัวเองให้ออกจริตจิตใจของเราเป็นยังไง ถ้าเราเป็นพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบวันๆไม่อยากยุ่งกับใครพวกนี้ต้องดูกายเพราะกายเนี่มันจะให้เห็นเป็นเห็นง่ายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะส่วนพวกชอบคิดมากจิตใจวักแวกวักแ ว, กแวกนะี่ให้ดูจิตเอานะดูจิตไปเลยพวกคิดมากนี่เจริตคนมีสองอย่างที่ใช้ทำํำมิปัสสนาตันหาจริตกับทิชชีจริญนะก็มีดูกายกับดูจิต ส่วนเวทนากะระมเนี่ยยังไม่แนะนำเวทนากะระทัมเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้มีปัญญากล้าพวกเรายังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีปัญญากล้าเราก็ดูกายดูจิตเป็นของดูง่ายเป็นพื้นๆแต่ดูกายมีเงื่อนไขกา ย, ยานุปัสสนาเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าทำฌานไม่เป็นไปดูกายนะั้นจะหลงถล่มลงไปแช่อ ย, อยู่ที่กายเลย เช่นเราดูท้องพองยุบนะจิตจะไหลไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่ที่ท้องเลยทาอะไรไม่ได้แล้วไปเกาะท้องอยู่ยกเท้าย่างเท้าจิตจะไปเกาะนิ่งอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจนะจิตจะจมลงเป็นลมหายใจแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยดูกายยากเพราะกายานุปัสสนาท่านถึงสอนว่าเหมาะกับสมถะญาณิกม า, าคนทําฌานพอเราทําความสงบไปจนถึงฌานที่สองตุติยาฌาน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 เช่นเราจะบอกว่าบางทีจิตเราก็มีกุศลบางทีก็มีอกุศลเรารู้สึกว่าจิตของเราเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตก็โลภจิตโกรธจิ ต, จตหลง เ, เบื้องต้นจะรู้สึกอย่างนี้ก่อนแต่ต่อไปพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นเราจะเห็นเลยจิตก็อันหนึ่งโลภก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งหลงก็อันหนึ่งกุลล์อันกันเนี่ยจะกระจายจสภาวธรรมออกมอาจะขึ้นไปสู่ธรรมานุตสนานะเราจะเห็นตัวสภาวธรรมตรงๆแล้ว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 ถ้าผิดหลักนะถึงจะรูปแบบเดินสวยยังไงนะมันก็ไม่เป็นวิปัสนาหรอกนะง้นถ้าเดินสวยๆแล้วบรรลุธรรมนะโยธาทิท์บรรลุแล้วมันเดินสวย <c oughs> มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยนะนะกระิกริยาท่าทางทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำต่อไปนะยกตัวอย่างนะคนไหนเคยหัดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ต่อไปไม่ต้องเลิกนะ ถ้ารู้แล้วสบายนะแต่ถ้ารู้แล้วอื่นันก็แสดงว่าไม่เหมาะไปหารมันอื่นแทนาการรู้ลมหายใจไปการรู้ลมหายใจนี่จิตจะแยกออกได้สี่ทางอันที่1รู้ลมหายใจไปแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินี่ใช้ไม่ได้เลยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของพวกดูลมหายใจคือพวกที่หนึ่งนี้นะดูไปแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปนี่ใช้ไม่ได้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 หรือบางคนดูท้องฟองยุบเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องดูยกเท้าย่างเท้าจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือสายหลงพระเทียนขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือรู้อีริยาบดสี่ยืนเดินนั่งนอนเพ่งมันทั้งตัวเลยคราวนี้ไหลไปเกาะทั้งตัวเลยทําเป็นใช่ไหมง่ายจะตายพวกเนี้ยพวกเพ่งเพเอางั้นอย่างแรกนะอย่างรู้ลมหายใจหรือกรรมฐานอื่นก็เหมือนกันนะรู้ลมหายใจหรือดูท้องฟองยุบหรือขยับมือเนี่ยอย่างที่หนึ่ง ทำไปแล้วก็เคลิบเคลิมลืมตัวขาดสตินี่ใช้ไม่ได้อย่างที่สองจิตถลำเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งกายทั้งกายหรือไปเพ่งจิตก็ได้นะบางคนดูจิตที่ไม่ได้ดูจริงหรอกไปเพ่งจิตจ้องจ้องจ้องลงไปจิตก็นิ่งๆพวกที่เพ่งมากๆเนี่ยจะเกิดอาการของสมถ ะ, ะเช่นคนรูปขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโปรงตัวใหญ่ อาการเหล่านี้เป็นอาการของสมถะหรือพังะวูบวบบา บ, าบา้ไม่ใช่วิปัสสนานะเราไปหลงกันว่าเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณเลยญาณเป็นเรื่องของปัญญาญาณไม่ใช่อาการทางกายญาณนะเป็นความอย่างรู้เป็นเรื่องของปัญญางั้นอย่างเราพังะวูบวบบา้บาบ้าลุกผลชันนี่นี่เรื่องของสมถะทําไมเรานึกว่าทำวิปัสสนาแล้วกลายเป็นสมถะเพราะเราหลงไปเพ่งนั่นเอง เช่นเราเพ่งท้องไปเรื่อยๆเราเพ่งลมหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตัวลอยตัวเบาตัวโครงอะไรอย่างนั้นน่าขึ้นมาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถามว่าดีไหมดีแต่ดีแบบสมถะนะวันไหนจิตใจของเราว้าวุ่นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะทำอะไรไม่ไหวแล้วเจริญวิปัสสนาไม่ไหวเราก็ทําสมถนะคนไหนถนัดดูลมหายใจก็นั่งดูไปให้ใจสบายมีความสุขให้ใจคเคล้าเคลียร์อยู่ที่ลมนะมีความสุข วนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปให้ใจเข้าอยู่กับท้องมีความสุขเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่ความสุขสมาธิไม่ได้เกิดจากการสั่งให้มันเกิดสมาธิไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจำไม่นะเพราะสมาธิพอละเอียดพอลึกขึ้นไปนมันเป็นอุเบกขามันไม่ได้เป็นความสุขเพราะสมาธิไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขแต่ความสุขหากทาให้เกิดสมาธิ เนี่ยเราจะมีธรรมะที่กลับหัวกลับหางเต็มไปหมดเลยอย่างคนไหนเล่นไพ่มีความสุขเล่นได้โตรุ่งเห็นไหมจิตใจร่างกายตั้งมั่นในการเล่นไพ่เล่นได้โตรุงตงต่ ง, นนนนงคนไหนชอบดูบอล น, นะดึกดื่นเที่ยงคืนดูได้ตั้งอกตั้งใจดูมีความสุขแล้วถึงทําได้งั้นความสุขทําให้เกิดสมาธิงั้นเราก็ดูกายดูใจนะรู้ลมหายใจรู้ท้องของยุบอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขนะ ทำไปเดียวยวก็จะสงบแต่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้พักผ่อนงั้นอย่างที่หนึ่งหลงไปเลยอย่างที่สองไปหลงทำสมถะเข้าไป ท, ทำสมถะเพ่งเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งทองเพ่งจิตเพ่งได้เหมือนกันหมดนะทุกสำ น, นักนะอันที่สามเรารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องพองยุบหรือขยับไม้ขยับมืออะไรเนี่ยนะ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 มีความรู้สึกเลย payment, รูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่ใช่เราแล้วตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลนะื่อนไหวแล้วนะนี่ไม่ใช่มือแล้วนะนีะ่ความรู้สึก repeating repeating มันจะไม่รู้สึกว่าเป็นมือมันจะรู้สึกนี่แค่รูปที่เคลื่อนไหวถ้ารู้สึกว่าเป็นรูปที่เคลื่อนไหวเราจะพบสภาวะอันหนึ่งใจเราจะเบาแต่ถ้าเป็นมือเราเคลื่อนไหวนะใจมันจะหนักขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกรูปมันไหวใจเป็นคนรู้นี่ ใจจะโล่งขึ้นมาเลยใจมันจะมีสติมันจะตื่นใจมันตื่นตัวขึ้นมาเห็นรูปที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยหนักใจมันจะหนักขึ้นมาเพราะอันนี้มันไปทําอย่างที่สองไปเพ่งใส่มือไปเพ่งลงไปคิดแล้วนะประเภทที่หนึ่งหลงไปเห็นไหมมีแต่หนึ่งกับสองอะอย่างเก่งแค่เนี้ไอ้ที่จะขึ้นอย่างที่สามนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แทบไม่มีแล้ว ถ้ามีก็จะเกิดปลารีรัได้อย่างที่สี่เราหัดรู้ท้องฟองยุบรู้ลมหายใจแล้วหัดสังเกตสภาวะที่เป็นนามธรรมเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไปเพ่งละหายใจแล้วเกิดปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วจิตใจวุ่นวายรู้ว่าวุ่นวาย หรือดูทั้งฟังยบแล้วจิตใจว่าวุ่นขึ้นมาก็รู้ว่าว้าวุ่นนะจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆทํากรรมฐานขึ้นมาหนึ่งแล้วคอยรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะจําสภาวะทําได้มากมายเราจะจําได้ว่าเผลอไปก็เป็นอย่างนี้เองเพ่งไว้ก็เป็นอย่างนี้นะกูศนอนะักกูสนโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเราจําได้ต่อไปเราอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละสติจะเกิดเอง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 มาคุยกับเพื่อนแหมสนุกมากเลยมันรู้สึกสนุกผุดขึ้นมาเห็นนะความสนุกก็เกิดแล้วก็ดับคุยไปคุยมาเพื่อนขัดค อ, อโมโหแล้วเห็นความโมโหผุดขึ้นมานะสติระลึกรู้ควาโ ม, หมโหก็ดับมิแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับงั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้เราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าฝึกอย่างที่หนึ่งอยู่ตรงไหนก็ทําได้นะหลงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเรื่องปกติ อย่างที่สองเพ่งเอาไว้อันนี้ก็ควรจะมาเข้าวัดเข้าคอสหรือเข้าห้องเรานั่งดูของเราไปเงียบๆนะอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่อยู่ในชีวิตประจำวันได้ถ้าอย่างที่สามคือร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆเห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเห็นด้วยใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานใจอย่างนี้ไม่ได้นะนีใจหลงไปเบอร์สามไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหม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 เริ่วักแวกวักแว็กเนี่ยรู้อย่างเนี้ยดูไปง่ายจะตายไปไเห็นมีอะไรเลยเราไปคิดมากเองว่าธรรมะคือต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างงี้เหนือธรรมดาเหนือธรรมดามันก็ไม่ได้เห็นธรรมดาสิธรมะะรมะนั่นแหละคือตัวธรรมดาล่าเราชอบไปทำํำจนเหนือธรรมดาเราก็ไปเห็นซูเปอร์แม น, นพอเข้าใจไหมนะไม่เข้าใจก็ต้องฟนนะหลวงพ่อไม่เก็บข้าฟัง ไม่เรียกร้องอะไรเลยที่จะมาฟังหนังสือก็แจกฟรีนะซีดีก็ให้ฟรีเรียกร้องอย่างเดียวขออย่างเดียวอึดๆเข้าไว้ทนๆเข้าไว้ขออย่างเดียว เ, เ, ออยเยวก่งไม่กลัวนะกลัวกลัวคนไม่อดทนนะและธรรมะก็ไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาความฉลาดรอบรู้ไม่ได้เรียนเอาความสุขอะไรนะเรียนให้เห็นความจริงเท่านั้นไม่ใช่บางคนเรียนแล้วนึกว่าจะต้องรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีสาวกคนใดรู้พระไตรปิฎกทั้งหมด ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยเงนพวกเราเป็นพวกสาวกทั้งหลายเราก็จะรู้เฉพาะสิ่งที่เราทํามาแต่คล้ายๆเราเดินขึ้นภูเขาระหว่างที่เราเดินขึ้นภูเขาสมมติมีภูเขาลูกนึงเวลาเราจะเดินเราก็จะคอยดูไอ้คนส่วนมากเขาไปทางไหนเราก็จะตามเขาไปเดินตามเข้าไปเดินถ้าเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ขึ้นยอดเขาได้เหมือนกันแหละล้วก็คิดว่าทางเนี้ยดีที่สุด แต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาแล้วเราหันไปรอบตัวเราจะรู้เลยทางขึ้นเขานี่มีรอบทิศ ท, ทางเลยขึ้นทางไหนก็ได้สำนักไหนก็ได้พูดจริงๆแต่หลักให้ถูกก็แล้วกันนะนะดูท้องพองยุบ แ, แล้วก็ดูแล้วเคลิ้มนี่ใช้ไม่ได้ดูแล้วเพ่งได้สมถนะดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้วิปัสสนาด้วยการดูกายรู้ว่ากายไม่ใช่เราดูท้องพองยุบแล้วเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย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 จิตต้องรู้ตื่นต้องเบิกบานรู้เนี่ยรู้ตัวต้องสบาย <Yeah. S 1> ถ้าปฏิบัติแล้วอึดอัดอกุศลแน่นอนนะนนนและจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตเบาๆไม่แน่ว่าเป็นกุศลนะต้องระมัดระวังบางคนบอก ว, ว่าจิตเบาทั้งวันเลยเนีย่เบาอย่างนี้เดี <Yeah. S 1> ๋ยวพวกดูจิตเป็นก็จะดูหลวงพ่อทำให้ดูนะ <Yeah. S 1> มันจะเบา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 นะแล้วคุณเบอร์สีที่เลี้ยงแมนครับไว้เนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมทนๆ น, นะคนฟังไปค่อยๆฟังโ ย, ย, ย, ย, ย, ยมเบอร์เก้าับโยมเนี้ยที่ฝึกมาไม่เสียหายนะใช้ได้แต่ว่าฟังเพิ่มนิดนึงจะได้ก้าวขึ้นมาสู่การทำมิปัสนะจริงๆส่วนใหญ่เราไปติดอยู่แค่สมถะเราไปติดแค่อาการของสมถะ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 เรื่องหยาดพวกนี้ยบอกมันสมถะนะท่านท่านทราบนะท่านบอกท่านรู้แต่ท่านสอนเพื่อให้มีกําลังใจพอมีกําลังใจอดทนทําไปนะอย่างน้อยก็ได้สมถะละคนไหนมีบุญวาสนาแก่กล้าขึ้นมารูออกมาจากสมถะได้มัาเจริญวิปัสสนาต่อนะค่อยๆเรียนสํานักไหนก็ถูกได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันอนยะ่างหลวงพ่อเรียนมาจากสายวัดป่ารุ่นหลังๆก็ติดสมาธิกันติดเยอะ ส่วนใหญติดสมาธิพวกเราที่ฝึกพองยุบเกือบทั้งหมดก็ติดสมาธิติดการทิ่งเพราะเราคิดว่าสติคือการกาหนดตัวเนี้ยที่พลาดกันสติไม่ได้แปลว่ากาหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ า, ว า, ากาหนดกาหนดเนี้ยมันเจือด้วยโลภะเจตนามีโลภะแทรกนะงั้นในคำพีของเราสอนบอกว่าสติอันกาหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี้เป็นทุกข์นะ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 กาลุณานะพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นโทสะเลยต้องระมัดระวังอกนะนะุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้อกุศลพลิกเป็นกุศลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราใจลอยไปเราใจลอยเราเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยนี่พลิกเป็นกุศลละกนะุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้ถ้าในขั้นละเอียดเนะช่นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมาหนึ่งชั่วโมงนะนี่เป็นอกุศล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 คล้อยตามอะไรคล้อยตามทุกข์นั่นเองก็นะ จ, ะจะรู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนี่คือตัวทุกขนะ์แต่ว่าจิตไม่ไปเกลียดมันนะจิตจะเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยเรียกว่ายอมรับความจริงแล้วว่าเออทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันดับทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันดั บ, ด บ, ดบยอมรับความจริงนะถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือกองทุกข์หรื อ, ย, อ ย, ยึดถือกายยึดถือใจนี่เองแล้วนทะวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้แล้วอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยะมากแหวกออก นั้นเวลาจิตหลุดพ้นเนี่ยท่านในพระไตปิดกท่านใช้คําว่าจิตหลุดพน้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นแนะคําในพระไตปิดกสําคัญนะไม่มีคลาดเคลื่อนเลยอาศจร์ที่รักษากันมาได้จิตหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะกิเลสนี่แหละห่อหุ้มจิตเอาไว้นะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นคือไม่ยึดถือในากายในใจไม่ใช่ไม่ยึดถืออาสวะนะเพราะความไม่ยึดถือในใกายในใจนี้กายกระใจเราคือตัวทุกข์ เรมีต si ัวทุกข really like ์เรารู้สึกว่ากายกับใจคือตัวเราเราคิดว่ากายกับใจเป็นเรานะไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ได้เป็นสมบัติของโลกคิดว่าเป็นตัวดีเป็นตัวเราก็อยากให้มันมีความสุขเห็นไหมเพราไม่รู้ความจริงของทุกข์ไม่รู้ความจริงของกายของใจจึงเกิดตัญหาอยากให้มันสุขพออยากให้มันสุขมีตัญหาก็ดิ้นรนใหญ่เลยยิ่งดิ้นรนยิ่งเกิดความทุกข์งานตัญหาก็เลยทําให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ทุกข์ก็ทําให้เกิดตัญหานี่แหละสังสารวัตอยู่ตรงนี้เอง เพราะมีตัณหาขึ้นมาก็เลยเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงของทุกข์คือมีอวิชชาแน่เองไม่รู้ความจริงของทุกข์จึงเกิดตัณหาความจริงของทุกข์ก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันคือตัวทุกข์มันคือตัวสมบัติของโลกมันคือาธาตุคือขันธนะ์ทั้งกายทั้งใจคือาธาตุนะใจก็เป็นาธาตุอย่างหนึ่งนะเรียกว่ามโนธาตุวิญญาณธาตนะุเป็นาธาตนะุไม่มีตัวเรานะอันนี้ต้องเห็นด้วยสติด้วยปัญญาแทงทะลุก็ไปเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอา ถ้คิดเอาปล่อยวางไม่ได้หน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะสติปัญญาจะแก่รอบขึ้นมาหัดใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเกิดความอยากเกิดความยึดจิตจะทุกโนอดเห็นนล้ใช่ไหมวุ่นก็เห็นใช่ไหมใจมีความอยากมีความยึดถือนะใจจะทุกถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกนี่นึกว่ารู้อริยสัจหรือไม่รู้หรอกเ ใ, ใจยังมีสองชนิดคือใจที่ทุกกะใจที่ไม่ทุกกายมีสองชนิดคือกายที่ทุกกะกายที่ไม่ทุก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 ทำจิตของพ่อทำให้ดูนะพวกที่ดูเป็นดูไว้ <Yeah. S 1> อยู่ระดับเนี้ยนะระดับเนี้จะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิตจิตเที่ยงรู้สึกไหมจิตคงที่ตลอดกี่วันกี่คืนจิตก็คงที่อยู่ตลอดสิ่งอื่นหรอกไม่เที่ยงจิตเที่ยงร้า <Yeah. S 1> ะสักระที่ถีไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้าปฏิบัติเข้าทางสายกลางที่ถูกวิธีจะทําทางสายกลางที่ถูกนะรู้ตรงที่ผิดไว้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 ตรงนี้ปฏิบัติเสร็จล้วหลังจากนั้นเริ่มผิดอีกแล้วกลัวน้อกลัวนออะไรนี่นะตรงนี้คิดนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดนี่คนละดวงกันนะจิตที่คิดเนี่ยตกจากวิปัสสนาละพอรู้เรื่องไหมเบอร์สามจิตค่อยถอนออกมาละไม่งั้นติดซึมนะติดมากไปติดเยอะวุ่นดีละค่อยๆรู้เปิดอตกตัวเป็นไงวันนี้ มีโมหะแทรกดูออกไหมัมวนิดนึงดูอวกหรเปล่าบอกเราเห็นไหมเพราะโมหะเป็นกิเลส ท, ที่ทำให้เราไม่เห็นสภาวะจูนหลงอยู่รู้ไหมยังไม่รู้อีกเหรอบอกแล้วยังไม่รู้อีกเหร อ, อรู้สึกไหมใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิดใจกระจิด ก, กระจายอยู่รู้สึกไหม แล้วไม่รู้ว่าใจกําลังกระจายกระจายอยู่รู้สึกไหมนั่นแหละหลงแหละค่อยๆหัดนะค่อยๆฟังหลอฟังเล่นๆไม่ซีเรียสไม่เก็บค่าฟังด้วยหาวานว่าไงหวานหลว ง, งพ่อเจ้าขาโยมเออจะรู้สึกว่าเวลาโยอมมองเนี่ยจะพาโยมจะเห็นภาพภายนอกเนี่ยเยอะกว่าการรู้สึก ทางจิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกทางจิตก็จะรู้แวบเดียวแล้วก็จะไปมองใหม่เจ้าไม่เป็นไรยังไงก็ได้แล้วก็บางทีก็มีท้องสุว่ามองไปนานแต่เรารู้สึกตัวว่าเรามองอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจริงๆมันรู้จิตนิดหนึ่งแล้วแล้วเราไม่รู้ ม, ม, มันรู้มองมองของหวานตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่รู้จริงๆ <c oughs> มันแค่แค่อย่างจงใจมองไว้อยู่เพราะงั้นมันจะมีตัวที่ตามมองไอ้นี่อยู่ทั้งวันเลยเห <c oughs> มือนมีคนหนึ่งแอบดู้ร่างกายนี้กระดุกกระดิกอยู่อย่างเงี้ย ตัวนี้ยังจงใจทําอยู่มันจะเหมือนกับว่าเรามองออกไปข้างนอกและเห็นของข้างนอกอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เราก็บางทีเราก็ไม่ได้เห็นจิตตัวเองแต่เรารู้สึกว่าเรากําลังมองอยู่อเจ้าค่ะไม่ตรงที่รู้ว่ากําลังมองเนี่ยนะยังไม่เป็นธรรมดานะรู้สึกไหมยังเกินธรรมดาอยู่มันทื่อๆนิดนึงมันมันก็บางทีมันก็อยากจะกลับมาดูจิตแลเจ้าอย่าอยากอย่าอยากถ้าอยากให้รู้ว่าอยากพออยากเรารู้ว่าอยากนะดูจิตเสร็จแล้ว ทีนี้พอรู้ว่าอย่างเนี่ยจะไม่ได้เห็นตัวอยากชัดมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่ารู้ว่าอยากแล้วมันก็รู้แค่นั้นก็พอละมันก็ไปเลยแล้วก็เห็นในความอยากหายไปแล้วรู้แค่นั้นพอไม่ต้องไปเห็นตัวมันนะมันยังไม่เห็นตัวอยากแต่เห็นว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็ละลายไปมันจางนั่นแหละนั่นแหละถือว่าเห็นแล้วอ่าแต่ว่าอารมณ์มันจางแต่ว่าตัวอยากนี่มันแทบจะไม่เห็นเลยเออไม่เป็นไรดูดูเท่าที่ดูได้มันทีพอเพราะว่าสติปัฏฐานเสียดูตัวไหนก็ได้ พอเรากลับมาดูใจมันก็จะตัดแว็บไปบางทีพอกลับมาดูใจมันก็ตรงที่กลับมาดูใจเนี่ยถ้าจงใจกลับนะให้รู้ว่าจงใจนะนี่โลภะเกิดละกิเลสเกิดเรียบร้อยแล้วทีนี้พอรู้ว่าจงใจกลับมาดูเนี่ยก็จะเห็นความอยากอยากที่จะกลับมาดู อ, อารมณ์แรกมันก็จะจางไ ป, งไปแต่ว่ า, เ, าเป็ น, นอดีตไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรหลังจา<อ>กนั้ น, นมันก็ดับไป อารมณ์ันนั้นก็ดับไปแต่ว่าความอยากก็ไม่เห็นว่ามันดับเพราะว่ามันไม่เห็นตัวความอยากตั้งแต่ต้นนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะแล้วทําไมหวานรู้ว่าอยากดูอะ่ะมันรู้อยู่เจ้านั่นแหละตรงที่มันรู้อยู่นั่นแหละเรียกว่ารู้นะไม่ใช่เห็นความอยากเมื่อวานเมื่อวานซืนมีเด็กคนหนึ่งเด็กมาถามหลวงพ่อเด็กคนที่กล้าห<ม>าญมากเลยนะพอคนมาถามหลวงพ่อก็เข้าแถวมาถามกับเขาด้วย หลวงพ่อคะที่หลวงพ่อบอกให้ดูกิเลสเนี่ยกิเลสหน้าตายัางไงตามันโตโตหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ดูเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ยแค่รู้ความรู้สึกเท่านั้นเองเอาอย่างนี้ดูเป็นอย่างนี้ดูเป็นแล้วอย่างที่โยมมองหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อเทศเนี่ยคะ่ะมันยังรู้เกินไปหน่อยใช่มแ้วยังเกินไปหน่อยอย่างใจหวานตอนเนี้ยยังเกินปกติหรือเปล่ไหมมันเป็นยังไงเกินจะเขาบมันทื่อๆไปนิดนึ ง, นง ถ้าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้มันทำไม่ได้หวานให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็อย่าไปเกลียดมันด้วยถ้าเกลียดมันรู้ว่าเกลียดมันถ้าอยากแก้รู้ว่าอยากแก้นะมันมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรมันมีหน้าที่ไปรู้เท่าที่รู้ได้วิปัสสนาเนี่ยเรารู้เท่าที่รู้ได้นะไม่มีคำว่าน่าจะรู้แค่ไหนคำว่าน่าจะน่าจะควรจะอะไรนี้เป็นแค่ความคาดหวังของเราเอง รู้เท่าที่รู้ได้ตามที่มันเป็นจริงๆมันก็ไม่หลุดออกมานะเจ้าคะมันก็มันยังอยากหลุดอยู่ตอนแรกนึกว่ามันแบบถูกต้องแล้วไงเจ้าคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้จะทำยังไงก็รู้แค่ว่ามันผิอ่าพพูดอยู่ทุกครั้งเลยว่าทำไม่ได้หรอกหวานหวานแค่รู้มันรู้ว่าอยากหลุดออกมารู้เรียบร้อยแล้วลส่วนจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุของมัน ทำไมมันเข้าไปเกาะอย่างนี้เพราะเราจงใจปฏิบัติมันไปเกาะอยู่กับรูปภายนอกหรือว่ามันเกาะอยู่กับใจเกาะอะไรก็ได้ถ้าจงใจปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะต้องมีเหตุทั้งหมดแหลนะนักปฏิบัติก็จะปรุงแต่งจนใจของเราทื่อๆขึ้นมาแล้วอย่างโยมดูรูปภายนอกเนี่ยจริงๆโยมเออส่งออกนอกหรือเปล่าคะหรือไม่อหวานแบบคาบรูปคาบดอกอเหยียบเรือสองแคมดวออกไหม ออกนอกก็ไม่ออกจริงนะออกแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยออกอย่างเงี้ยกลัวจะออกอ่ะก็ดึงไว้หน่อยหนึ่งเนีมันมันไม่ออกจริงด้วยซ้ําไปถ้าออกไปเลยมันก็หลงไปนานเลยหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงเอาแต่มันหลงนานนะเจ้าค่ะนั่นมันนานเกินไปใช่ไหมเห็นไหมมันน่าจะสั้นกว่านี้เห็นไหมมีคําว่าน่าจะละมากไปน้อยไปเกินไปเนี่ยเกิดจากความคาดหวังของเราเอง ทำไมมันถึงจะหลงสั้นลงสั้นลงถ้าจิตจําสภาวะธรรมได้แม่นมันจะหลงสั้นนะสติจะเกิดบ่อยเพราะฉะนั้นทุกคนนะฝากเป็นการบ้านของทุกคนเลยเคยทํากรรมฐานอะไรอย่าเลิกนะภาคเทียนทําไปยกเว้นพวกที่ดูออกนอกจริงๆอ่ะไปเพ่งเทียนเพ่ ง, พ อ, พงอะไรต่ออะไรออกข้างนอกไปเลยนะพวกนี้ไม่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยย้อนกลับมาดูกายใจยากถ้าเป็นกรรมฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับกายกับใจนะไปดูต่อไป ตกค่ำนะไหว้พระสวดมนต์แนะนํานะก็นแนะนําไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเคยปฏิบัติยังไงกรรมฐานอะไรทําไปแต่ทําเพื่อหัดรู้สภาวะนะนี่ตรงนี้ต่างจากเดิมนิดนึง่งนะเคยดูท้องฟองยุบไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์สั่งให้ดูก็ดูลูกเดียวเลยหวังว่าวันหนึ่งจะดีลองปรับนิดหนึง่งดูท้องฟองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลก็รู้หัดรู้ไปหัดรู้สภาวะ การที่เราทุกวันเราหัดรู้สภาวะมันจะทําให้จิตจําสภาวะได้แม่นพอจิตจําสภาวะได้แม่นพอสภาวะที่เรารู้จักแล้วเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองงั้นทุกวันต้องซ้อมนะถ้าถ้าโยมเ อ, อ่อกลับมาดูใจเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะกลับมาดูใจมันนี่นก็ไม่ถูกอีกมันก็แต่มันเป็นการรู้สภาวะไม่ใช่เหรอไม่รู้่มันเป็นการไปจ้องใส่สภาวะการดูจิตนี่นะต้องตามรู้หมายถึงสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามันเกิดขึ้น เผลอไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าเผลอโกรธไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าโกรธอย่าจงใจย้อนมาตั้งไว้ดูนะต้องตามรู้ห้ามห้ามจงใจจ้องไว้ก่อนแล้วเราจะเ อ, อ่อทำให้มันเกิดบ่อยได้ไงเกิดบ่อยด้วยการที่หวานนะคอยหาสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะวานใช้ชีวิตปกติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดานี่แหละคุยกับเพื่อนม้างอะไรบ้างนะแล้วค่อยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะในที่สุดจิตจะจําสภาวะได้มาก ตอนที่เราคอยรู้เราก็ตั้งใจรู้เหมือนกันไม่ใช่ใชไม่ใช่ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เพราะงั้นทีแรกจะรู้แต่ความรู้สึกที่แรงๆเช่นโกรธขึ้นมาแล้วถึงจะรู้เ่อมาขัดใจก็รู้เรอไปลำคาญนิดๆก็เห็นแล้วมันจะค่อยละเอียดขึ้นอย่าไปจงใจรู้ให้ละเอียดต้องรู้เล่นๆไปงั้นฝากกันบ้านนะใกล้จะหมดเวลากว่หลวงพ่อไล่เดี๋ยวนี้จนปัญญาแล้วนะแต่เดิมหลวงพ่อจะสอนทีละคนะ พวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆเรียนทีลกคนเดี๋ยวนี้พวกเรามามากเกินไปโดยไม่ได้นัดหมายใช่มมากันเองฝักกันบ้านไว้นะตกค่ำไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมทำกรรมฐานใดๆที่เคยทำก็ทำไปแต่หัดรู้สภาวะนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดความโลภโกรธห ล, ลงคอยรู้สภาวะไป หัดอย่างนี้ไม่ต้องคํานึงว่าเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหรสติจะเกิดไม่ต้องคํานึงเลยนะซ้อมทุกวันนะคนไหนไม่ถนัดตอนค่ําก็ตอนเช้ามืดก็ได้นะแล้วแต่แบ่งเวลาช่วงหนึ่งมาซ้อมซ้อมพอซ้อมมากๆจิตจําสภาวะได้แม่นเราไปสติจะเกิดในชีวิตประจําวันในห้องนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเกิดสติขึ้นเองเดี๋ยวนี้เยอะแยะแล้วนะเยอะมากเลยสติเกิดเองแล้วจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา กายนี้เป็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นเองกายไม่ใช่เราเห็นทันทีจิตนี้ไม่เชี่ยงเห็นทันทีจิตไม่เชี่ยงรู้สึกไหมเห็นไหมจิตเป็นของบังคับไม่ได้จะเห็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียนรู้แล้วเราเอาความจริงมาป้อนให้จิตใจของเราเรียนรู้ทุกวันทุกวันป้อนมันเข้าไปเรื่อยให้มันรู้เข้าไปรู้กายรู้ใจรู้กายเข้าใจถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาตัวจริงมันจะเกิดมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าโอ้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา แต่กระบวนการที่มันแจมแจ้งมีอย่างที่หลวงพ่อว่านะมันจะรวมเข้าไปแล้วไปตัดสั่งโยต์ไปตัดความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราตัดแล้วถอยออกมาเนี่ยคราวนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วความรู้สึกว่าเรามีอยู่จะไม่รู้สึกว่ากายเป็นเราใจเป็นเราจะขาดสมุดเฉดเลยไม่ต้องรักษาอยู่ก็ฝึกต่อไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยวางความยึดถือกาย ใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนี้ยไม่ต้องรักษาจิตไม่ทรงสมาธิได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องรักษานี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีฝึกต่อไปอีกจนกระทั่งเห็นว่าตัวจิตตัวธาตุรู้นะะั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะปล่อยวางจิตนะมันวางมันสลัดคืนจิตออกไปตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทําอีกแล้วแต่ไม่เรียกว่าพระอรหันต์ทำไมไม่เรียกเลยไม่เพราะว่าไม่มีความสําคัญมั่นหมายที่จะเรียกอีกต่อไปแล้ว หลวงพ่อเจ้าคะเงินโยมก็ไม่ต้องทําแบบเก่าเลยใช่ไหมเจ้าคะโยมมาเหรอโยมก็ไปใช้ชีวิตปกติเลี้ยงลูกไปวันนี้ลูกดื้โอโมโหรั่วโมโหวันนี้เรียกลูกมากินข้าวก็มาดีๆก็ดีใจอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องคอยรู้แบบครับลูกครับด<ล>อกก็ไม่ต้องอทำคร<พ>ับลูกคับดอกอย่าไปทําเหนื่อยเห็ <S <S นไหมยอมยอมรับสารภาพว่าครับลูกคับดอกแล้วเห็นไหมอยบไม่สองข้างอย่างที่หลวงพ่อว่าไปก็ไม่ไปนะอยู่ก็ไม่อยู่ เหยี่ยมมันสองแคมนะก็เลิกทำไปเลยเริกไปเลยก็รู้น้อยกว่าเดิมถือสีนห้ารู้น้อยกว่าเดิมไม่เป็นไรแต่รู้ไม่ผิดรู้อย่างเดิมรู้เยอะแต่รู้ไม่ถูกนะใช้ชีวิตธรรมดาหวานมารู้สึกไหมใจหวานเริ่มคลายออกมาแนละ้วใจอย่างเนี้ยดีกว่าใจอย่างตะกี้นะใจคับลูกคับดอกไม่ดีดอกได้อย่างตะกี้คือใจที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศใช่ไหมเจ้าคไม่ด่ จะซึมซึมอย่างนี้นซึมไปเรื่อยปังเอ้าหมูใหม่หมูใหม่เป็นไงเอ่าใครหันไปดูหมูใหม่แล้วก็เลยลืมตัวเองบ้างสารภาพมาใช้ได้แล้วสองท่านนี้ใช้ได้แล้วนะเข้าใจแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกเบอร์เก้าเบสิบดีถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะแค่เห็นว่าสภาวะจิตลงไปทางตาจิตลงไปทางหูจิตลงไปคิดยมฝึกได้แค่เนี้ยนะ ใก้กับมรกผแ ล, ล้วเพราะสติจริงๆเกิดยมเบอร์สิบสังเกตไหมเมื่อกี้มีปิติขึ้นมาตอนนี้ปิติก็ค่อยสงบลงไปดูออกไหมเนี่ยมันไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะแต่อย่าไปจ้องไว้ถ้าจ้องไว้มันจะนิ่งลูกเดียวอ้าวหูใหม่เดินเดินที่ที่ที่แล้วหลวงพ่อสอนให้ไปฝึกในชีวิตปร ะ, ประจำวันครับเรามีความรู้รู้สึกว่าสติเกิด น, น้อย ืก็กําลังจะอยากให้มันเกิดมากพอดีวันนี้หลวงพ่อมาสอนเมื่อเมื่อตะกี้ก็เลยพอพอจะรู้แล้วครับวันก่อนนะตะโลกตลกหลวงพ่อก็สอนพวกเราแตทุกวันอย่าทิ้งกรรมฐานนะอย่างนักมวยถึงเป็นแชมป์โลกมันก็ยังซ้อมชกประสอบไม่เลิกหรอกพวกเรานักปฏิบัติมือเก่าขนาดไหนก็ไม่ทิ้งกรรมฐานะเคยพุทโธก็ทําเคยหายใจก็ทําเคยดูท้องฟองยุบก็ทําไปแล้วก็ตามรู้สภาวะไปเรื่อย วันไหนจิตใจมันเหน็ดเหนื่อยมันก็พลิกเข้าไปเป็นสมถะวันไหนมันมีกําลังมันก็ออกมาดูสภาวะในฝึกอย่างนี้แล้วก็พออยู่ในชีวิตประจําวันสติจะเกิดสอนอย่างนี้พอเลิกแล้วนะมีผู้ชายคนหนึ่งมาทําไมท่านไปสอนเขาอย่างนั้นให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทําไมท่านต้องสอนอย่างงั้นแล้วแล้วทําไมอ่ะไปไหว้มันทําไมพระมันเป็นทองเหลือง บอเออไปไปไปไม่พูดด้วยแล้วโมโหอีกนะพ อ, อไม่พูดด้วยโมโหอีกโอ้ยไม่ไหวแล้วจะให้เรานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้นะวันวันแค่คุยกับโยมเจอปฏิบัติเราก็จะตายแล้วเจอกโยมชิดมากไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้พอสมควรให้คุณแม่ไปยาวมีอะไรไหมไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นนะคะพอผ่านมาแล้วเนี่ยผ่านทําอะไรที่น่าเกลียดไม่มีสติไม่รู้สึกตัว แล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของความอยากโดยสิ้นเชิงไม่รู้สึกตัวเลยก็เมื่อผ่านแล้วนะคะยังว่าเอ๊แหมอริยาสัตว์แห่งจิตนี่ก็คล่องพูดได้แต่เวลาถึงเวลาแล้วเราตกอยู่ในอำนาจของความอยากโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คิดแต่ว่ารู้สึกตัวดีมีสติพอสมควรพอแหมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็ผ่านแล้วนึกถึงพระอาจารย์มากจช่ไหคะพระอาจารย์สอนไปแล้วแต่ว่า การปฏิบัติทุ่งจะไม่ดีเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็อยากจะมาเรียนขอขอความแนะนําจากพระอาจารย์นะค ะ, ะคุณแม่รู้ทันมันก็ดีแล้ว <c oughs> นะแท้จริงสติก็เป็นอนัตตาถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดหรอนะแล้วจริงๆเราปฏิบัติก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัว24ชั่วโมงนะเราต้องการมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าอกุศลก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยง ความรู้รวบยอดมาอยู่ตรงจุดนี้น <ะ S 1> ความรู้รวบยอดไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามีสติตลอดเวลาหรอกคุณแม่นึกออกไหมแต่เดิมเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเราเผลอแต่พอเรารู้สึกตัวเป็นเราก็จะรู้เมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกทั้งสองันเนี้ยไม่เที่ยงทั้งสองอันเนี้ย <remembers. S 1> ออนนบังคับไม่ได้<ๆ>แล้วในที่สุดจิตจะวางวางทั้งสองอันไม่ใช่วางความเผลอแล้วเอาความรู้สึกตัวจะวางทั้งคู่เลย จุดที่เรามุ่งไปจะไปตรงจดตรงนี้เพราะงั้นจิตคุณแม่บางครั้งยังถูกกิเลสครอบงํามันก็เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกอะไรนะเห็นได้ก็ดีแล้วละ่ะที่ที่คิดว่ามั น, ม, นมันไม่ธรรมดาก็เพราะว่าความอยากอะไรตอนอไรเล็กๆน้อยๆเคยเรียนพระอาจารย์ไว้หนูว่าว่าความอยากเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยนะคือมาเรียนพระอาจารย์ไว้ แล้วก็รู้ก็รู้แต่นั่นมันเป็นความอยากเล็กๆในน้อยนะคะและ้วทีนี้พอมาความอยากเกี่ยวข้องกับในทางธรรมเพราะฉะนั้นทำให้เขวอไปเลยค่ะถ้าเป็นความอยากในทางธรรมแล้วมันต้องถูกนะคะ <c oughs> คืออย่างนี้เราคนดีนะละชั่วง่ายละดียากหช่ไหมพอเราอยากดีนะก็ละยาก เนี่ยผู้เจาท่านบอกแล้วหรือคนดีนะ่ะทําดีง่ายทําชั่วยากนะคนชั่วมันก็ทําชั่วง่ายทําดียากอย่างของคุณแม่นะก็เห็นแล้วเอออยากชั่วเนะั้นมันไม่ดีแล้วเราเป็นคนดีนี่ให้ละอยากชั่วนี่ง่ายมากเลยมองแว บ, บมันก็ขาดแวบบก็ขาดแต่ไอ้ตรงอยากดีเราเป็นคนดีอะ่ะเราก็เลยอยากอย่าไปตกใจมันด้วยว่าไอ้ที่คิดเนี่ยตรงดีหมดนะคะ เพราะนั้นมันก็เลยอยากในทางที่ไม่ดีก็ไม่รู้ตัวความจริงพออยากเกิดมันก็ไม่ดีแล้วล่ะไม่รู้ว่าเกิดใช่ในขณะนั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดคิดแต่ว่ากำลังทำดีไม่คิดอันนี้มันเป็นสภาวะที่เรายังไม่รู้จักแต่ตอนนี้คุณแม่รู้จักแล้วค่ะรู้จักแล้วเล็นไอันนี้หลอกไม่ได้ละเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นมาหลอกแทนค่ะตัวใดที่สติปัญญาเรารู้ทันแล้วหลอกเราไม่ได้ ส่วนไหนที่เรายังไม่รู้ทันมันก็หลอกเราอีก <Okay. S 1> แต่แท้ที่จริงปฏิบัติไม่ได้เพื่อเอาอะไรสักอย่างเดียวปฏิบัติจนเห็นความจริงของทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราแล้วคืนโลกไป <Okay. S 1> แล้วหมดภาระกันรงที่เราปล่อยได้ <Okay. S 1> งั้นไม่ได้เอาดีอะไรหรอก <Okay. S 1> มีด็อตอร์ดตรกล้ อ, ต อ, องตอนนั้นอยู่ที่สวนโปมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าเนี่ยผมไปคุยถวายหลวงพ่อมนตรี บอกว่าผมนะครับเจริญสตินะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเลยครับอยู่กับความรู้สึกตัวทั้งวันเลยบอกแล้วหลวงพ่อว่าไงบอกหลวงพ่อหันมามองหน้าผมแล้วยิ้มยิ้มพูดมาคำเดียวเด็กเด็กแล้วบอกโอ้ผมก็งงนะบอกว่าผมพยายามรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันท่านบอกเด็กเด็กก็เลยถามแล้วหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวเหรอไม่ได้อยู่ แล้วหลวงพ่ออยู่กับอะไรไม่บอกหรอกเงี้นความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสติสัมมาส ม, มาธิปัญญาอะไรเนี่ยเป็นเรือที่เอาไว้อาศัยเท่านั้นเองเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาเรือลำนี้หรอกนี่คุณแม่รู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็ดีแล้วกไำไรล้วกาไรก้วที่อยากเรียนพระอาจารย์ก็คือ เป็นสิ่งที่ดีนะคะคือพอคิดเกิดนี่จะเห็นรู้ทันคิดเกิดเห็นรู้ทันจะไม่ต่อนะคะแต่ในบางโอกาสที่อาจจะมีความรู้สึกตัวน้อยหรือไม่มีสติมันต่อไปสักครู่อ้าวนี่กําลังคิดอยู่มันรู้สึกตัวก็เลยอยากมาเรียนอาจารย์ว่ามันมีความดีอยู่ตรงนี้ยมันเริ่มเลย <laughs> นะแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่คิดนะเป็นไะง เรฝึกเพื่อว่าเวลามันไปคิดเรารู้ทันมันจะได้ไม่คิดสเปสสปะเวลาอกุศลไปมีธุระจะต้องคิดเราก็คิดได้ถ้าไม่มีธุระเราก็ไม่ปล่อยให้มันคิดอกุศลไปเวลาที่ใจไหลไปคิดก็คือจิตขาสติและพอรู้ทันจิตก็เกิดสติเราก็จะเห็นเลยจิตจะไปคิดห้ามไม่ได้จิตจะรู้ทันว่าคิดสั่งให้เกิดไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหมดเลยทั้งสองข้างเกิดแล้วดับเหมือนกัน เสร็จแล้วก็เลยไม่เอาทั้งสองั้างเอาวันนี้พอสมควรแก่เวลาเชิญกลับบ้านได้